ขอความเจริญในธรรมจะมีและท่านผู้ฟังกันหลายแต่รลวงปู่วทิาณยในวันนี้ก็คงเป็นการพูดเรื่องนิวรณในชุดว่านิวรณะปภะคะือหมวดที่ว่าโดยนิวอณนในมหาสติปัฏฐานสูตรตามที่ได้ส่งแสดงเอาไว้ก็ความนั้นส่งใช้โครงสร้างเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวนิวรณคือจากการมาฉันมาเป็นพยาบาท เราสั่งว่าอันหนึ่งเมื่อพยาบาทคือความคิดแจงสัตว์ในพินาศมีนภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทมีอยู่ภายในจิตของเราหรือเมื่อพยาบาทไม่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทไม่มีอยู่ภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่พยาบาทอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นโดยประการใดย่อมรู้โดยประการนั้นความลับพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้ว เสียได้โดยประการใดก็รู้ด้วยประการนั้นความพยาบาทนั้นตนละแล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกโดยประการใดก็รู้โดยประการนั้นก็แสดงว่ามีสี่ช่วงอยู่เช่นเดิมหมายควาะมว่าเมื่อปลัดไอ้พยาบามปรากฏภายในจิตก็ให้รู้ตามความเป็นจริงหรือตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่จิตซึ่งมีพยาบาทครอบงำอยู่ในขณะนั้นๆ หรก็เป็นการดูในแต่ละขณะนะทีนี้พยาบาทที่ยังไม่เกิดมันเกิดด้วยประการใดก็รู้ด้วยประการนั้นแล้วพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยสามารถจะละให้ขาดด้วยประการใดก็รู้ด้วยประการนั้นความพยาบาทเป็นกิเลสประเภทโทสะมีความชิดอาฆาตมุ่งโตตอบทำลายร่างแก้แค้น ซึ่งบางครั้งก็กลายเป็นเรียกอาคาตวัตถุคือวัตถุเป็นที่ตั้งของความอาคาตพยาบาทบังคับจิตได้สายไปในอารมณ์ทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันจช่นเดียวกับเรื่องของการมฉันคือใจจะสายไปในการทั้งสามเหมือนกันในกรณีของความอาคาตพยาบาทนั้นก็อาจจะสายไปว่า คนคนนี้ได้เคยทำอันตรายต่อเราคนคนนี้ได้เคยทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคนคนนี้ได้เคยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราซึ่งจะเห็นได้ว่าอาการของกิเลสนั้นมันจะไม่มีเหตุผลของมันเพราะว่ามันสืบเนื่องมาจากโมหะหละืสืบเนื่องมาจากอวิชชาอย่างในที่เขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนแล้วก็ อยากพี่น้องของตนก็บอกฟังได้นะที่ไปอาคารพยาบาลเขาแต่การที่เ้าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูของตนมันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับตนแต่ว่ามนุษย์ก็มีความวิสยามีโมหะอยู่ภายในใจไม่ต้องการให้ใครได้ดีดีเด่นดังนะฮะไม่ต้องการให้ใครได้ดีเด่นดังแต่าหากว่าตัวเองไม่ชอบรางความพยาบาทก็ไปเกิดในกรณีที่ ก็ทำความดีกับคนที่เราไม่ชอบด้วยทั้งๆ ท, ที่ก็ททำความดีน่าจะอนุโมทนานะแต่ว่าทำใจไม่ได้เพราะว่าเป็นอาการของกิเลสหรือบางครั้งก็อาจจะประรกฏปัจจุบันว่าคนนี้กาลังทำอันตรายต่อเราคนนี้กาลังทำอันต ร, รยายต่อญาติพี่น้องของเราคนนี้กาลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสัตวจูเราในกรนีที่สามก็อีกอะหมายความว่าเป็นความคิดที่แสดงให้เห็นความคับแคบ กิจการความดีที่บุคคลอื่นจะได้รับก็คงจะสืบเนื่องมาจากพยาบาทเพราะในแนวกระแสความคิดตรงนี้รับสั่งแสดงว่าความรักเกิดจากความรักก็มีความรักเกิดจากความโกรธก็มีความโกรธเกิดจากความโกรธก็มีความโกรธเกิดจากความรักก็มีอย่างในจรณีนี้เป็นเรื่องของความโกรธที่เกิดจากความโกรธคือหมายความว่าคนคนนั้นที่จริงเราก็ไม่โกรธอก แต่พอดีไปทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูของเราเลยเราจึงโกรธ ด, ด้วยก็ดูไม่ง่ายว่าวิธีชีวิตแบบสังคมโทั่วไปเนี่ยเช่นว่าตัวเองไม่ถูกกับเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงแล้พอดีลูกไปเที่ยวเพื่อนเอ่อไปเที่ยวที่บ้านนั้นหรือว่าไปเป็นเพื่อนกับลูกบ้านนั้นก็นจะเกิดโทสะในตัวลูกก็แสงดงว่าเป็นความโกรธที่เกิดมาจากความโกรธ พวันถ้าลูกเราไปทำดีกับคนที่เราโกรธก็อาจจะโลกรธลูกตามเข้าไปด้วยบางครั้งก็อาจจะเป็นการงองในแนวของการคาดหมายหรือทําความเข้าใจเราเองโดยความหวาดระแวงที่เกิดขึ้นไปในใจว่าต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราแล้วก็เกิดความมาคาด พยาบาทในทำนองเดียวกันว้นความอาคาดความพยาบาทเนี่ยจึงทำให้จิตใจถูกแผดเผาด้าร้อนทรงอุปมาเป็นสภาพแบบน้ำนก็เหมือนกับน้ำเดือด น, น้ำที่ถูกต้มจนเดือดเราจะมองดูเงาหน้าของเราจากน้ำเดือดเนี่ยมันดูไม่ชัด ตอนเวลาคนโกรธขึ้นมาในเหตุผลสติปัญญามันออกไปทางหน้าต่างเมื่อความโกรธมันเข้ามาทางประตูเหตุผลสติปัญญาก็ออกไปทางหน้าต่างคนที่มีความอาคตาิพยาบาทสภาพจิตจะเหมือนกับคนที่ถูกโรคภัยค่าจเจ็บเบียดเบียนเสียดแทงแม้จะมีญาติพี่น้องรอบล้องเป็นอยู่เป็นอันมากแพทย์พยาบาลรอบล้องเป็นอยู่แต่ไม่มีใครสามารถแบ่งเบา ควาจะปวดเหล่านั้นได้เราก็ต้องเจ็บปวดด้วยตัวของเราเองที่จริงข้อของโทศษัตริโทษของพยาบาทเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนเนะฮะเราลองสังเกตว่าอย่างเรื่องรามเกียรติเนี่ยเหตุที่มันยืดเยื้อยางนานจนถึงพานารายต้องอวตารมาเป็นพระรามนนทกมาเกิดเป็นโทศกันเนี่ยก็ที่จริงก็เรื่องของโทศษัติย์ตินนทกมีต่อพานาราย สึ่งแปลงมาเป็นเทพอับษรยั่ววให้ไร่รำตามกันไปแล้วนนทกก็ไรยรำจนนิ้วกายสิทธิ์เนี่ยหันก็หาตัวเองแต่ก่อนจะตายก็ปลุกอาฆาตพยาบาทเรื่องมันก็ลากไปยาวเหยียดกลายเป็นรามเกียรติเล่หใหญ่โตมันก็เกิดมาจากความโศกเคือความโกรธแล้วก็ไม่ยอมหยุดไว้ ก็กลายเป็นความอค่าเพรดาบาดต้องการจองเวรแบบค้ำภคคําชาติหรือดูตัวอย่างที่ชัดเจนเนี่ยคือเรื่องปเทวัตพระเทวทัตินั้นในอดีตการนานไกลเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับแต่ท่านบอกว่าเป็นอดีตการนานไกลที่เป็นพ่อค้าชิวเสริวะด้วยกันคนที่ต่อมาเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพ่อค้ารูกปัด ต่อมาที่เป็นปเทวทัตก็เป็นพ่อค้าลูก ป, ปัดเทวทัตตอนนิสัยแบบเทวทัตคือไม่ความไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความซื่อทรงชอบปรรัตเอาเปรียบุคคลอื่นแต่พระโพธิสัตว์ก็มีนิสัยแบบพระโพธิสัตว์อิมามมีความซื่อสัตย์มีความสุสรมมสจริตใจมีความจริงใจก็ไปพบที่บ้านเศรษฐีตกยากคนหนึ่ง ยังเหลืออยู่เฉพาะยายกับเด็กกระหลานพ่อค้าที่ต่อมาเป็นปฏิวติทัดก็ไปถึงก่อนเด็กก็อยากได้ลูปปัตต์ก็ขอให้ยายช่ซื้อให้ยายก็บอกไม่มีสตังค์จะซื้อก็เอาของเก่ามาแลกเอาถาด ท, ทองคําแต่ว่ายายเองไม่รู้ว่าเป็นทองคําเอามาแลกพ่อค้าพอเห็นเป็นทองคำํำก็คิดจะโกงราคาก็ ท, ทําทีเป็นไม่สนใจแล้วก็ไม่ยอมขายให้โดยคิดว่า ก็กลับมาต่อรองเพื่อจะลดราคาลงไปด้วยความโลภเนี่ยด้วยความโลภความหลงเราจะเห็นว่าลูกปัดราคาจะกี่สกังหรืไปโกงราคากระทองคำเมื่อเกินเหตุเกินผลไปแต่เมื่อเขาหลีกไปพ่อค้าที่ต่อมาเป็นรพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่อเสริวะเหมือนกันมาถึงก็มีนยะเช่นเดิมย่ายนั้นไม่ค่อยกล้าเสียงแล้วแต่วรรณงสาบอกว่าเสียงผิดกัน พ่อค้าคนนี้แสดงท่าทางใจดีก็เลยก็ตกลงเงื่อนไขเดิมนะฮะแต่ว่าพ่อค้าที่เป็นพระโพธิสัตว์เห็นว่าในสินค้าทั้งหมดของเขาเนี่ยมันราคามันน้อยนิดได้สามารถจะแลกอาัฐาตองคําได้เขาก็ล่าบอกความจริงให้ทาติแต่ลายเกิดประทับใจที่พ่อค้าในความซื่อสัตย์สุจริตก็ตกลงว่าจะให้อะไรเท่าไรก็เอาจะจะให้ถาเนี่ยเป็นรางวัลในความซื่อสัตย์สุจริต ท่านก็ขอค่าเดินทาง น, นิดหน่อยแล้วนอกนั้นก็ให้หมดต้งเปลี่ยนเลยเมื่อเราถา่าดทองคำไปก็เดินทางข้ามแม่น้าพอค้าคนแรกก็มาถึงมารู้ว่ามีคนออกไปแล้วก็โกรธซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรนะคือว่าคนคนที่สองก็ไม่รู้เรื่องอะไรนั้นเราลองสังเกตว่ามันมีการโงหะว่าเอ๊ะไปโกรธก็ได้ยังไง แต่ของซื้อของขายเขาจะสมัครใจจะขายให้ใครก็ขายไปแล้วก็เราได้โอกาสก่อนเนี่ยทำไมไม่ซื้อเอาล่ะแกก็ไม่คิดอย่างนั้นแต่เมื่อกางไปเนี่ยพ่อค้าที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ย ไ, ไกลแล้วเรือจะถึงฝั่งลงแล้วก็ไม่ได้ยินการเรียกของคนเหล่านี้คนนี้คนนี้ก็โกรธมากเล็กก็เกาะใายขึ้นมาทิฐฐานขอจองลังจองผานพ่อค้าคนนั้นเนี่าก็มาเลเซีย ตอนแรกก็จองร่างจองผานพระโพธิสัตว์อยู่ที่ราพบในสาดกเนะ่ยมีห้าสิบเก้าเรื่องด้วยกนะันวฏิวัติเกิดมาเจอกับพระโพธิสัตว์แล้วก็จองร่างจองผานแต่พระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้เคยมีความอาคาดมาไายต่อบตอนตอนตายเนี่ยเราเห็นได้ชัดประบนสังสารวัฏยาวนานในขณะที่คนหนึ่งมีความเมตตามีความให้อภัยมีการอดทนเนี่ยคนหนึ่งมีความอาคตาิพยาบาทพอตอนสุดท้ายแม้จะ เ, เกิดเป็นเจ้าชายแห่งราชวงศ์ สักยะและกุฏิ ย, ยะไปกันแต่ว่าตอนปลายมันห่างกันไปได้เกิดคนหนึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นาศาสดาเอกในโลกคนหนึ่งตก น, นโลกเวจีหายไปเลยเรื่องแบบนี้ที่จริงเรามองเป็นกระบวนการเะไเห็นชัดเจนมาจากความอาฆาตพยาบาทกับไม่อาฆาตพยาบาทขนั้นเด็กในกรณีระหว่างคนสองคนนะฮะแต่มันสร้างสารรค์ภพชาติแต่มันห่างกันไปเรื่อยๆ จนถึงห่างกันที่ไม่อาจจะตามทันกันได้ฉันบอกว่าในโอกาสต่อไปนั้นกระเทวทัตจะเป็นพระปฏิกะพุทธเจ้าชื่อว่าอทาิษฐาะแต่ว่ามั น, มนเกนกงนานงานเลกาเลนะฮะไม่รู้อีกสัเท่าไรตอนพยาบาทจึงมีเหมือนก็ไฟนะฮะมันไฟที่เผาลนเผาไหม้ลูกลามทำลายทุกสีตงทอย่างให้พินาศไป เพราะแนวกิเลสประเภทนี้เรถามว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงควาพยาบาทที่ยังไม่เกิดต้อเกิดขึ้นได้ยังไงก็ให้รู้ด้วยประการนั้นความพยาบาทั้องเกิดขึ้นจากการมองในแนวจงกันข้ามกับการมฉันคือมองด้วยความไม่น่าไขัดไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเดี๋ยวว่าลูกไม่สวยเสียงไม่ไพเราะกลิ่นไม่หอมรสไม่อร่อยสัมผัสไม่น่าจับต้อง เรือ่องนี้ไม่น่าจะคิดไม่น่าจะนึกอะไรเนี่ยอาจจะมองโวยโมหะก็ได้หรืออาจจะมองโดยโทสะซ้อนโทสะอยู่ก็ได้อาจจะมองด้วยราคะคือหมายความว่าคนเนี้ยเป็นศัตรูกับคนที่เรารักก็เป็นโทสะที่เกิดขึ้นด้วยความรักแล้วก็เหมากันไปในลักษณะอย่างนั้นเรากลายมองกันไปในแง่รายแล้วก็สะสมความคิดเหล่านี้ไปเรื่อย ในที่สุดก็กลายเป็นมนชิงใจเป็นสนิมใจก็กลายเป็นอิวอมเป็นสิ่งที่ขั้นจิตคนไว้ไม่ให้สามารถทําความดีได้เราลองสังเกตดูนะฮะว่าเช่นงมมตว่าเราจะอ่านหนังสือแต่ว่ามันมนโกรธคนอื่นหรืออาฆาตคนอื่นีรือจะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องไม่ต้องพูดเรื่องนั่งสมาธิไม่ต้องพูดเรื่องฟังธรรมนะฮะแม้แต่ทาการงานเราดีไม่ได้จะถูกพืน้นมันสะอาดเลยเนะี่ยถ้ายังมีตัวสระอยู่เนี่ย อนุภรมันจริงมีความรุนแรงแต่ถามมันละได้โดยประการใดโดยฐานทั่วไปเนี่ยที่จริงมันละได้โดยระดับของเมตตาเนี่ยนะแต่ว่าไม่ใช่พยาบาทพยาบาทที่เป็นที่นะครับทเราจะเห็นว่าถ้าเรางางกับด้วยความเป็นมปนมสิตความเมตตาก็สามารถจะบังเทาลดละความอาคตาพยาบาทลงไปได้เพราะว่าเมตตาไมนมีธรรมชาติเย็น แต่ว่าพยาบาทนั้นมีความร้อนเพราะนั้นความเย็นกับความร้อนมาต่อสู้กันเนี่ยถ้าความเย็นมีพลังมากมันก็ขจัดความร้อนออกไปได้แต่ว่าเป็นการบรรเทาด้วยเมตตาภาวนาแต่ในขณะเดียวกันถ้ากำลันเขาไม่ตา ม, มากมันก็ดนับไปได้เลยนะหับไปได้เลยเพียงแต่ว่ามันมีความรู้สึกอีกระดับหนึ่งไม่ถึงก็เป็นอาฆาตพยาบาทแต่ว่ามันก็คือกี่เหตสสายเดียวกัน อย่างแต่ว่าอาการไปเผารุนแรงมันลดน้อยลงคือท่านเรียกว่าปฏิฆะมีความหมุดหงิดมีความรำคาญมีความไม่พอใจไม่ถึงไดวุ่นวานอะไรนะฮะแต่ว่าไม่พอใจมันห ด, นดุหงิดมารำคาญอุดอะเป็นการของโทสะอย่างอ่อนๆหรือพยาบาทอย่างอ่อนๆตรงนี้จะล่าได้ด้วยอนาคามีมากกว่า คนละลาได้ขาดเน่มันต้องถึงระดับพระนาคามีจึงจะละได้ขาดคนสามัญทั่วไปนี่ละขาดไม่ได้อย่างี่บอกไว้ในวันก่อนโน้นว่าพระโสดาบันนั้นละสังโยชน์ได้สามคือสักกายะทิฏฐิความเห็นเป็นเนตถือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนตมีตัวมีตนแล้วก็วิจิกิจฉาคืความเครื่องแครงสงสัยในคุณพระตนไกลแล้วก็ในสายสิขา ศีลปัตประมากการถือมั่นโดยศีลดโดยวัดโดยข้อปฏิบัติที่ประพฤติจนติเป็นนิสัยพระสกตาการมีก็ละได้สามขออ น, นั้นแหละแต่ว่าทําราคะโทสะโมหะให้เบาลงแต่ถามว่าเบาลงระดับใดเนี่ยก็ยังไม่เคยพบหลักฐานนะครับอาจจะมีเพียงแต่ว่าไม่เคยพบเองหรือบางทีพบบางก็จำไม่ได้จะมีนะฮะแต่ว่า จากการสังเกตเนี่ยคือไม่พบพระนาคามีมีครอบเป็นพระสกตากามีมีครอ บ, บครัวจะแสดงว่าราคาโทรศัพ์โมหะมันเบาบางลงออไปมากจะเกิดอีกชาติเดียวนะฮะสกตากามีคือส ก, กิญนะครั้งเดียวส ก, กิญก็คือครั้งเดียวมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะนิพนบรรลุโมพนเป็นประหารกันนิพพาน เรองการจะรักให้ขาดเนี่ยมันจึงต้องระดับปนาคามีแต่ในที่นี้มันก็แสดงไว้ในประปัญญสูทรนีเหมือนกันนะว่าการจะบัรเทาปยาบาทในลดง้อยถอยลงไปโดยลำดับนั้นประการแรกก็คือเรียนมิมิตในเมตตาภาวนาที่เมตตา น, นั้นมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์ แต่ว่าการเจริญเมตตาจะรวดเดียวมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์ทําได้ยากนะมันก็ต้องเพิ่มปริมาณเมตตาออกไปในชิศทั้งหลายแล้วเอาในระดวงใกล้ชิดให้ได้สักก่อนในครอบครัวในวงศ า, ายคณะญาติได้ได้สักก่อนแล้วค่อยๆขยา ย, ยออกไปเรื่อยๆเพราะว่าตั้งเหล่านั้นเรามีฐานอยู่แล้วฐานความรักอยู่แล้วมาเปลี่ยนเป็นเมตตามันก็ไม่คยยากอะไรเท่าไหร่แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ต้อง เป็นเมตตาภาวนาคือเจริญเมตตาในสัตว์ทั้งหลายก็ตั้งใจแผลไปโดยการตั้งจิตแผ่ไปตามตนเองเป็นอุปมาว่าตนรักสุขเกียรตังความทุกข์ชั้นใดคนอื่นสัตว์อื่นก็รักสุขเกียรตังความทุกข์เช่นเดียวกันจากนั้นแล้วพยายามเจริญเมตตาอยู่สม่ำเสมอในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยเสริมนะฮะเช่นความอดทนการให้อภัยการรอคอย ไม่ถือสาหาความวินิจฉัยตัดสินคือถ้าเราแยกดูจริงๆนะฮะเราลองสังเกตว่าประเบผลเสพสติปัญญาขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องเยอะที่มันไม่จำเป็นจะต้องไปโกรธอะไรเช่นสมมติว่าเด็กเๆลๆ็กหรือว่าผู้ชราผู้เท่าเนี่ยตั้งแต่พ่อแม่ไปเนี่ยฮะมันก็ไม่ใช่เป็นบุคคลที่เราควรจะโกรธแต่ประการใดแล้วก็ คนบ้าคนเมาหรือว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายอะไรอะ่ไรเนี่ยและในสุดคนที่เราควรจะโกรธแต่มันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะความโกรธมันไม่ไดเกิดประโยชน์อะไรอะ่ะมันเป็นงานทำลายคุณภาพจิตใจของเราโดยซ้งไปหลังนั้นเมื่อมั น, มนจเจริญในตาอยู่บ่อยๆการจิตอธิษฐานใจ ในส่วนสาทะยายหรือว่าตั้งจิตน้องจิตไปแผลไปในทิศต่างหลายจนเป็นแมวอปมัญญาเหมือนกันนะฮะแล้วในขณะเดียวกันบางครั้งเราปิดใจในการกระทําของเขาจึงเขาล่วงเกินเรานมายวามว่าล่วงเกินเราล่วงเกินญาติพี่น้องของเราที่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราเราก็มองในนแง่กรรมนะหมายความว่าถ้าถ้าเขาทำผิดก็เป็นบาปกรรมของเขา เขาทําดีก็เป็นความดีของเขาในกรณีที่เขาทําผิดทําไมเราจะต้องทําผิดด้วยทําไมเราเขอโดยสารทําผิดด้วยล่ะในกรณีที่เขาทําดีทําไมเราจะต้องทำไม่ดีล่ะเราเฉยๆจะไม่ได้ถ้าอนันโมธันดาอันโมธ น, น, นาไม่ได้ก็แสดงวิปัสสนาไม่ได้เราก็เฉยๆเฉยถ้าทําได้อย่างนี้ในที่สุดเนี่ยความรู้สึกโกรธอาฆาตพยาบาทก็จะบรรเขาเบาบางลงไป แล้วต้องทำบ่อยๆนะฮะบนแนวที่จเจริญภุมิฐานที่ทั้งโสนในสาธยายโดยการทําใจเนี่ยวสัตถ์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ปฏิสร้ายกันให้อยู่ดีมีสุขาตามทุกข์วรแก่ฐานะทั้งปวงวสัตถ์ทั้งหลายทั้งปวงจงหลุดนจะทุกข์เถิดเนี่ยอันนี้ก็เป็นกรุณาไปแล้วในความสร้างความรู้สึกมันเป็นเรื่องกำไรใครก่อคนนั่นก็รับกรรมก็ไป ก็ทําอันตรายต่อเราเขาก็เป็นบาปเองเขาทำอันตรายระยะพี่น้องเราเขาก็บาปเองเขาทําความดีต่อคนที่เราไม่ชอบเขาก็ได้บุญในตัวเขาเองแต่เราอยู่เฉยๆเราก็ไม่เป็นบุญเป็นบาปแต่ถ้าเราไปโกรธเขาเราก็ได้บาปอคนหนึ่งก็ได้บุญคนที่เราไม่ชอบก็ได้บุญเราได้บาปเนี่ยก็หาเรื่องในตัวเองเดือดร้อนคนต่อเนี่องทำให้ปัญญาเข้ามาคิดพนิจพิจารณา ตรวสอบดูแล้วก็จะเห็นชัดเจนว่าการแปลค่าพยาิบาตในกรณีเช่นนั้นมันเป็นความงุกเราร์บปัญญาของเราเองแล้วก็ตัวเนี้ยต้องหมั่นพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเรื่องกฎของกรรมนะฮะกรรมดีศาสตร์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นกรรมเลิกมีกรรมเป็นเผอาพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมันใดไว้จะดีหรือชั่วประตามว่าจะต้องไปผู้รับผลกับนั้นกรรมใดใครเกาะคนนั้นก็รับกรรมไปไปสร้างปัญหาแก่เรามันก็ไปเรื่องเขาควายใครเข้าข้อคนนั้นอย่างท่ขนคติไทยเรานี่เยอะที่เราคิดได้เนี่ยกรรมใดใครเกาะคนนั้นรับกรรมไปควาใครเข้าข้อคนนั้นก็ สุขทุกข์อยู่ที่ใจถ้าใจเราไม่ถือเราก็เป็นสุขถ้าใจเราไปถือเราก็เป็นทุกข์รัถามัตถือทําไมเพราะมันจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะและ้วสงสัาเกี่ยวมันก็วร่งผ่านไปแล้วควรจะหยุดคกินจะขีดวงของปัญหาเอาไว้ไม่ขยายไม่ให้ลุกลามมากเกินไปแล้วก็เลยมีสําคัญต้องเหมือนกับชุดกอด น, นะคือต้องคบหาสมาคมกับกันและกัมิตร มิตรที่มีความรักใคร่มิตรที่รวมถูกรวมสุขกันได้มิตรที่แนะนะําตัวพฤติกรรมในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมิที่มีอุปการะเนี่ยตรงนี้มีความสําคัญมากเรื่องกาลยานามิตรเนี่ยเพราะฉะนั้นว่าบางครัง้งบางคราวคนที่จะไปชกต่อยอะไรกับใครเนี่ยถ้าไปกรเพื่ อ, อมหลงฝูงเนี่ยถ้าเพื่อมฝูงเป็นกาลยานามิตรนะสามารถหยุดยั้ยงสามารถทําปราบได้ แต่ถ้าเป็นไม่เป็นกัลยาณมิตรบางทีก็ลากข้าปากันไปได้เหมือนกันพิสัยสำคัญอย่างยิ่งก็คือพูดจากันด้วยวาจาเพื่อคำที่ไพเราะอ่อนหวานแต่พวกนี้ถ้าจะเดินไปบ่อยๆนะฮะถึงจุดหนึ่งก็จะเดินได้ไบ่อยๆอย่างน้อยที่สุดมันก็ละได้ในอารมณ์นั่นๆหรือว่าละได้ด้วยกำลังแห่งสมาธิที่เรียกว่าเป็นวิคัมนะปะหารอย่างที่เคยกล่าวไว้ในกนณี ต้องฟังเท่าไหรต้ร่มพพิยานในวันนี้ข อ, อยุติไว้โดยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญว่างามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี